ขอความสุขความเจริญจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายใต้ดงประโพธิญาณในวันนี้ก็คงพูดเรื่องศีลบา ร, รมีสืบต่อไปถึงสังเกตว่าในการรักษาศีนั้นท่านอุปมาให้เหมือนจามรีรักษาขนหางหรือนกต้อยตีบิตรักษาฟองไข่โดยท่านเล่าว่า จามรีนั้นแม้จะหนีภัยเนียอันตรายจากสัตว์ ร, ร้ายแต่ว่า้าหางแกไปเกี่ยวกับอะไรแต่ยังแก้ไม่ออกเลยก็จะอยู่ตรงนั้นคือยอมตา ย, ยโดยไม่ยอมให้หางหแผนหางของแกเนี่ถูกทำลายก้นหางนี่ถูกทำลายที่เรานำมาใช้เป็นแท่จามรี เป็นสัตว well ์ที่เขาเลี้ยงกันแถบทิเบตแถบภูเขาฮิมาลัยนี่ก็มีลักษณะคล้ายๆกับกัวกระทิงแต่ดูตัวจะใหญ่กว่านกต่อยตีวิกษาวางไข่นั้นท่านบอกว่านกต่อยตีวิตเวลาแกวางไข่แล้วก็นอนนอนหงายเอาเท้าชี้ขึ้น โกฟ้าจะถล่มครับทับฟองไข่ของแก่ก็สรุปง่ายๆนะฮะว่ารักษาศีลจนบางครั้งบางคราวเนี่ยมันถึงทางเลือกว่าจะเอาศีลหรือเอาชีวิตตัวอย่างบุคคลเหล่านี้นก็มีอยู่ทุกๆทุกสมัยอย่างประวัติศาสตร์ของเราสมัยเป็นภูริทัตแม้แต่เป็นสัตว์ดิเรกชัน สมทานโบสดเตศีนถูกพรามเบียดเบียนด้วยประการต่างๆคือถ้าจะเอาชีวิตปลอดภัยเนี่ยคนพิษายทีเดียวก็ขี้เกียจตายแล้วแต่ว่าเป็นการมงอย่างมหาบุรุษเนี่ยคือสมมติว่าเราฆ่าเขาตายเขาก็คงต้องตายอยู่เองแม้เราจะไม่ฆ่าเขาแต่ว่าการฆ่าเขาเนี่ย ทำให้เราต้องชอดใช้บาปรกรรมที่เกิดขึ้นจากการฆ่าเพราะการฆ่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเนี่ยมันย่อมเกิดด้วยโลภะบางโทสะบางโมห oh ะบ้างแต่โมห oh ะนั้นจะต้องพ้นอยู่ตลอดเพราะเมื่อกลายเป็นถั ง, งเลือกว่าจะทนเจ็บปวดเอาดีไหมหรือว่าจะรักษาชีวิตไปความเจ็บปวดทุกตรมานนั้นเรามีอยู่ตลอด ประว่าชีวิตของเรานั้นเขาเรียกว่าทุกขกระขันก็คือกองแห่งทุกข์จะปวดมากหรือจะปวดน้อยเท่านั้นเองก็ดีกว่าลงไปเจ็บปวดมากกว่านี้เพราะถ้าทําลายชีวิตสัตว์อื่นมันก็อาจจะถึงตกนรกตกนรกมันก็เจ็บปวดมากกว่าที่เราไปเชิญ อ, อยู่ในปัจจุบันและช่วงเวลาที่จะสวยปวดนั้นว่านานกว่า พ้นพื้นฐานความเชื่อในเรื่องศีลที่รักษาปณิสสงบเนี่ยมันต้องมีพื้นฐานความเชื่อในกฎของกรรมเชื่อในกฎของสังสารวัฏอยู่ด้วยแต่ ถ, ถือว่าคนเราเกิดมาคนเดียวตายคนเดียวแล้วเนี่ย พ, พวกนี้มันเดินไม่ได้หรอกเพราะไม่รู้รักษาไปทำอะไรคือจะต้องมีเห็นผลระยะยาวลักษณะที่เรียกว่าอะไรอดเปรี้ยวไกินหวานก็ได้นะ มาความอดทนเอาไว้เพื่อจะได้สัมผัสสิ่งที่สูงกว่าประนี้กว่าทีนี้ท่านก็นิยามไว้โดยนิยต่างๆเราจะเห็นว่าศีลระดับบา ร, รมีที่จริงมันก็เป็นบา ร, รมีทุกทุกขั้นตอนนั่นแหละประเด็นที่พูดค้างๆไว้ในวันก่อนก็คือความสัมรวมชื่อวศีลความสัมรวมหรือความสมหวดในชื่อศีล ที่นีนสายของศีลตรงนี้เองเนี่ยคือถ้าเอากระจิมก่อนลึกซึ้งก็เดินไปแบบทานที่เคยว่ามาก่อนนะเราจะมาทานเขาเองถ้าเขาเดินไปเป็นวัตถุทานประ น, นีตลึกซึ้งในสายของเขาแล้วก็กลายเป็นอภัยฐานแล้วก็กลายเป็นธรรมทานพัฒนาการทางจิต ป, ปัญญามันก็ไปลิบเลยนะ ก็หมายความมาเริ่มต้นที่ฐานในการปรงต่อมากุศลนิธรรมเหล่าอื่นที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเพิ่งพูนขึ้นไปเรื่อยๆในกรณี น, นี้ก็คือเรื่องที่ศีลมันก็คงอยู่ในโครงสร้างของบุญญากิยาวัตถุสามข้อเนี่ยเป็นคําสอนแก่สาธุชนทั่วไปคือเริ่มจากทานศีลภาวนาแต่พอสอนนัก บ, บวชเนี่ย สงเริ่ที่ศีลสมาธิปัญญาซึ่งก็หมายความว่ามันก็ง่ายสำหรับคนกลุ่มนั้นทานสำหรับชาวบ้านซึ่งมีฐานะทางเศรษฐกิจดีพอสมควรมันก็ง่ายถ้าไม่จะนีหรือว่าบ ม, ม, มเมาเสียศีลเนี่ยสำหรับคนที่เริ่มต้นเป็นสามเเดนมาจากศีลสิบแล้วก็พัฒนากันไปศีลสองร้ยเจ็ด อาจจะโกรบหมโกลุกลไปบ้างแต่ยังไงก็ไปได้พระเจ้าก็ไปเน้นที่ศีลแต่ในสายตรงนี้เวลาเรียงแบบสังวรเนี่เราจะเห็นว่ามาพัฒนาการทางจิตมันระดีขึ้นไปเรื่อยมันเริ่มจากปาฏิโมกข์กับสังวรคือสำรวมในบทบัญญัติของศีลบทบัญญัติของศีลนะั้นจะมีอยู่สองลักษณะใหญ่ ลักษณะหนึ่งมีลักษณะคล้ายๆก็ห้ามแต่ไม่ได้ใช้คำว่าห้ามไม่ให้หรือว่าอย่าด้ใช้คำอย่างนั้นเพราะนี่คือศาสนาศาสนาจะเป็นเรื่องการสั่งสอนการชี้บอกให้เราไม่มีมาตรการจะไปควบคุมใครบังคับอัญชาใคร เพราะมันจะมีลักษณะของการนำเสนอชี้ทางบรรเททุกข์ชี้สุขเกษมสารให้วันก่อนมีคนมาบอกว่ามีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่อยู่ในฐานะที่สังคมไทยรู้จักแล้วก็ต่างประเทศรู้จักท่านบอกว่าสังคมพูดมันเครียดมันมีแต่คำว่าห้ามคำว่หยาไม่มีนะ ถ้าคำว่าอยากนี่มีอยู่บ้างแต่ว่ามีในลักษณะเสนอให้คิดเอาว่าถ้าท่านต้องการความสุขท่านอยากกระทำบาปก็คิดเอาเองต้องการความสุขไหมถ้าต้องการความสุขก็ต้องไม่ทําบาปถ้าทําบาปมันก็ขัดแย้งกับความต้องการของท่านก็มีลักษณะอย่างนั้นแหะคือเราไม่ได้ห้าม ไม่ใชเราห้ามครับคือพระพุทธเจา้าไมนได้ห้ามแต่ว่าจะในระดับที่ประณีตขึ้นเนี่ยคือพวกที่เป็นนักบวชหรือบารสกพูดง่านพุทธ บ, บริษัทนะครับมันจะมีระบบคำสั่งที่ค่อนข้างชัดเจนขึ้นแต่ก็ทำนองบอกกล่าวเช่นว่า ลิกสุเสพเมถุนต้องปาราชิกก็พ่ายแพ้นะครับกับมาความมักขาดแต่ความเป็นพระไปก็ไม่ถึงก็ห้ามแต่ถ้าท่านเสพท่านก็หมดสภาพความเป็นพระหมดในขณะนั้นนะฮะไม่ใช่จำเป็นจะต้องให้ใครมาตัดสินลงโทษท่านอีกแนวหนึ่งมันเป็น บทบัญญัติเหมือนกันแต่ว่าแนะทําอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าไม่ทําก็จะมีการลงโทษลงโทษก็ไม่ใช่ลงโทษจับใสค่คุกแต่ใส่ตารางอะไรแต่ว่าก็าเรียกอําบัติแปลว่าโทษที่เกิดเพราะความละเมิดในข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามไม่ทําตามข้อที่พระพุทธเจ้าอนุญาตเพบนสังวรระดับพระโพธิสัตว์เนี่ย มันไม่ถึงกับปาติโมกข์สังวรอย่างที่บอกเพราะว่าส่วนใหญ่ที่พบเนี่ยก็ส่งรักษาสีท่ากับสีแปดเนี่ยเป็นพื้นแล้วก็ยังไม่เคยพบว่าออกบวชนะก็คงจะต้องมีแหละเพราะว่าผ่านทั้งสารวัตรมเยอะแต่ว่าเพียงแต่ว่าไม่เคยพบจต่นั้นเองประการต่อไปมันก็มีลักษณะของอินเสียสังวนเป็นศีนที่ประณีตขึ้น คือหมายความว่าเป็นการควบคุมความรู้สึกจางสัมผัสอารมณ์หรือเหนี่ยวนึกอารมณ์ไม่เพิ่มกิเลสขึ้นก็คงได้เห็นได้ยินได้ดมได้ลิ้มได้จับจ้องเพียงแต่ว่ารักษาจิตไม่ให้เกิดความกำหนัดเกิดความคัดเคืองเกิดความรุ่มหลงเกิดความบวมเมาแต่โดยทั่วไปพระยาจะทรงใช้คำว่ายินดียินร้ายคือยยากเกิดความยินดีคือรัก แล้วก็ยิไร้ายก็คือชังเพราะความรักชังเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ของโลกทั้งสองข้อเนี่ยมันเกิดมาจากโมหะด้วยกันประการต่อไปบางครั้งเนี่ยมันแรงกระแทกกระทันจากข้างนอกนี่แรงมันก็ใช้สำรวมระวังอีกระดับหนึ่งคือขันติสํวรคือสำรวมด้วยความอดกลั้นความอดทนความทนทาน ไม่ออนไหวหไปตามกระแสตรงนั้นประการต่อไปนั้นก็เรียกว่าเป็นการสำรวมระวังระดับที่บันประนีขึ้นก็กลายเป็นญาณสังวรคือสำรวมระวังด้วยความไม่ใจเสื้อติสังวรก่อน เดี๋ยวก่อนหลังก็ไม่แปลกนะฮะว่าจริงจริงก็ตามต้องควรแก่กรณีสติสงบ น, นั้นก็คือปิดกั้นกระแสของอารมณ์ต่างๆแต่ใ น, นสติที่จริงก็ใช้หมดนั่นแหละเพราะสติเป็นตัวระลึกรู้เท่าทันถึงความจริงในแต่ละขณะที่เราสัมผัสแต่จึงจุดป้องกันก็ป้องกันจุดขจัดก็ขจัดจุดพัฒนาก็พัฒนาจุดรักษาก็รักษาก็แล้วแต่สติเป็นตัวระลึกรู้ แต่วาทิงจุดนึ่งก็เป็นยากสังวรสัรวมด้วยความรู้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างประณีตแต่ตัวหลักจริงๆคงอยู่ข้อแรกนะฮะคืออยู่ที่ศีลและสังวรคือสํารวมระวังระดับศีล แ, แล้วแต่ว่าใครจะรักษาศีลอะไรอย่างว่าศีลท่าประการเอาเฉพาะข้อแรกกันนะถ้าเราปฏิบัติ ต, ตามหลักที่ทรงแสดงในพระบาลี มันจะมีอยู่สามสามคำสามจังหวะจังหวะแรกก็คือเจตนางดเว้นจากการทำสัตว์มีชีวิตให้ตายแล้วก็ช่วงที่สองก็คือไม่แสดงความโหดร้ายโดยการพกพาส า, าวุธเครื่องประหารต่างๆเพื่อทำลายล้างชีวิตของสัตว์อื่นนี้จะไม่ทำลายล้างนะฮะแต่ก็ไม่พกพา เพราะการพกพาแสดงถึงความรุนแรงความโหดร้ายแล้วก็ระมัดระวังไม่ให้เกิดกระทบกระทั่ง ส, สัตว์ทั้งหลายก็สำรวมระวังอย่างที่ว่าเนี่ยสำรวมสำรวมระวังระดับไหนก็ตามคือไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและสร้างความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอื่นหรือแม้จะเพียงแต่สร้างความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอื่นแต่ถ้าสีลมันละเอียดขึ้นไปเนี่ยสร้างความเสื่อมเสียแก่ตัวเอง แต่ว่าศีลระดับนี้เราลองสังเกตว่ามันจะเป็นศีลระดับที่ค่อนข้างประณีตขึ้นเออเช่นสมมติว่าพระฉันเข้าไม่เรียบร้อยเดินไม่เรียบร้อยพูดส่งเสียงดังภายในบ้านเนี่ยมันทําลายเกียรติภู ม, มิของตัวเองเจะเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันเป็นการทําลายเกียรติภู ม, มิของตัวเองก็เป็นความประณีตของศีลมันเกิดสํานึกเกิดทีเรอตประกเกิดมนโนธรรมขึ้นมา แล้วก็ทาให้จิตใจของบุคคลนั้นมีความประนีตขึ้นไปเรื่อยๆความทระวนระวังในลักษณะอย่างนี้พอเราจับได้จุดหนึ่งเนี่ยอย่างอื่นมันก็มีแต่ว่ามีไม่มากเราลองสังเกตว่าพอถึงจุด น, นึงมันก็เดินไปก็เรียกผู้มความเมตตาอินดูในสัตว์ทั้งหลาย ก็แสดงว่าเมื่อกิเลสเขาสงบลงสงบลงสงบล ง, ง, บลงใจมันก็ผ่องใสขึ้นแล้วก็มีความคิดเป็นเหตุผลเป็นระบบแล้วก็นำไปเชื่อมโยงกันอย่างท่านยกตัวอย่างอุบาสกคนหนึ่งชื่อจักกะแม่ป่วยหนักแล้วก็เชิญหมอมารักษาหมอบอกว่ารักษาให้หายนาได้แต่ว่า ในยาเนี่ยมันต้องผสมเลือดสดสดของกระต่ายก็ชีวิตป้านป่ามันไม่ได้แปลกอะไรนะฮะจะจับกระต่ายเนี่ยพี่ชายก็บอกให้น้องชายไปจับกระต่ายแกก็ไปหน่อยเดียวแกก็จับได้แล้วแต่พอจับได้เนี่ยกระต่ายมันร้องพอร้องเมื่อเกิดความคิดว่าเอมันไม่เป็นการยุติธรรม กระตายเขาก็มีชีวิตเขาก็มีพ่อแม่ลูกเขาก็มีญาติพี่น้องของเขาเราก็มีญาติพี่น้องของเรามีแม่ของเราการที่แรกจะแลกชีวิตของสัตว์อื่นซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแม่เราแต่เพื่อช่วยชีวิตของแม่เราให้รอดแต่ไม่เป็นการยุติธรรมเลยก็ปล่อยเลย ปฏิฐานจิตว่าแม่จะหายหรือไม่หายก็ต้องเป็นไปตจำกรรมัมแต่ปฏิฐานจิตว่าด้วยกุศลและเจตนาแบบนี้ขอแม่หายโดยไม่จําเป็นจะต้องผสมกับเลือดกระต่ายสดๆคือคงรับประทานยานั่นแหละแต่ไม่จําเป็นจะต้องไปใส่เลือดกระต่ายสดๆก็ขอให้หายได้อันนี้ก็เป็นแรงของการปฏิษฐานประกอบกัญยานะฮะมาปฏิฐานเฉย แล้วแม่ท่านก็หายนั้นก็แสดงให้เห็นว่ามันเกิดจิตสานึกขึ้นเหตุการณ์ตรงนี้ที่จริงมีความจําเป็นจําเป็นกว่าที่เราจะใช้รูปแบบเพราะอะเพราะว่าชีวิตจริงๆเนี่ยมันไม่มีเหตุให้ล่วงศีลอยู่ตลอดระยะเวลาเพียงแต่ว่าเมื่อมีเหตุให้เกิดละเมิดศีลแล้วเกิดไม่ละเมิด มันเป็นอาการสำรวมระหวังชั้นดีเห็นว่าตัวเนี้ยมันก็มีทั้งทั้งสังวรทั้งหมดกันแหละแต่ตัวสำคัญก็คือตัวสติสังวรกิจานสาังวรก็เกิดระลึกรู้ระลึกรู้เท่าทันขึ้นมาเพราะในพื้นฐานจิตที่ท่านใช้เนี่ยในกรณีของศีลถ้าเดินไปสู่เอาเมตตาได้เนี่ยนะ แต่เอ็นดูเอ็นดูที่จริงมีลักษณะาการุณานะครับถ้าเดินไปสู่เมตตาได้อย่างสีนอีกร้อยๆข้อมันก็ไปได้แล้วแต่การปฏิบัติแนวลึกเนี่ยมันปฏิบัติค่อนข้างยากบางทีจึงไม่นามาพูดแต่ถ้าในพระบาลีจริงๆเรียนลำดับไปอย่างนี้ หลการรักษาศีลที่จริงถ้าเราจับข้อดีนหนึ่งได้นะฮะอีกห้าข้อก็จับได้เพราะเมตตาจิตมันเกิดหมายความมาเกิดจังหวะที่สี่คือเมตตาได้เนี่ยที่ยืมยืมก็ตามมาเองเจนเราเมตตาต่อคนคนหนึ่งเราก็ฆ่าเขาไม่ได้เราก็ลักทรัพย์ก็ไม่ได้ล่วงเกินคู่ครองเขาไม่ได้เราก็โกหกก็ไม่ได้ เรากม็มองเขาด้วยสิ่งเสพติดไม่ได้แต่ย่าลืมข้อที่ห้านี่ไม่ใช่เราทำกับเขานะฮะเราทำเราเองนะเราทำเราเองเพราะงัง้นศีลท่านจิงบอกว่าบางทีเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการสมาทานแต่ว่าการสมาทานที่จริงเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในวิธีการเกิดศีลแนวที่เราใช้ในปัจจุบันกับแนวสมาทานศีลเนี่ยเราจะเห็นว่า แนวหนึ่งก็คือสมมาทานแบบรวบยอดไปเลยคือหมายความว่าสมาทานเช่นมะยังพันเตติสเนนัสหปัญจศิลานิยาจามะนี่เเรียกว่าเอกัชฌสมาทานคือสมาทานรวมกันแต่แนวหนึ่งก็คือสมาทานแยกส่วนที่เราใช้กคำวิสุงวิสุงห ม, มายความว่าสิ่งก้อไหนขาดก้อนนั้นก็ขาดไปก้ออื่นก็ยังอยู่ ก็เป็นเรื่องที่ว่าตอนหลังแต่ว่าเรื่องสีเนี่ยที่จริงมันเป็นจิตสำนึกของมนุษย์แล้วมันเกิดขึ้นมาจากพัฒนาการทางความคิดผ่านยุคสมัยมาโบราณมากๆตั้งแต่มนุษย์เริ่มจับกลุ่มอยู่ร่วมกันมันเกิดปัญหาขึ้นมาก่อนแล้วก็พยายามแก้ปัญหาเมื่อแก้ปัญหาไม่ได้ก็กลายเป็นบทปัญญตัติแล้วก็พัฒนาบทปัญญาติขึ้นมาเป็นธรรมะ บันยุบังสมัยศีลห้าประการเนี่ยเราจะพบว่าเขาเรียกว่ากรุธรรมคือธรรมะของชนชาวกุรุแครนกุรุที่พระเจ้าทรงสแสดงมาสติปัฏฐานสุดแต่เป็นน ร, ริตการนะมันพัฒนาขึ้นเป็นธรรมะพอเป็นธรรมะแล้วในศีลก็จบมันจะมีเองโดยอัตโนมัติ ลักษณะการรักษาศีนี่ถ้าเราเทียบแล้วมันเหมือนกับการฝึกขี่จักรยานใหม่ๆ ห, หรือฝึกอะไรใหม่ๆนะฮะ พ, พูดง่ายๆว่าฝึกทําอะไรใหม่ๆเนี่ย ม, มันก็แก้งก้างเกล่อมันมันเ ค, เครียดพอสมควรกว่าจะทําได้พอทําไปได้แล้วมันก็ลื่นไหลไปได้ดีืๆเพราะแนวการเกิดของศีลจึงทรงจําแนกแสดงไว้เป็นสามลักษณะ แนวหนึ่งก็คือมีเหตุการณ์ให้ละเม่อศีลเกิดขึ้นแล้วก็เกิดมนุษุรรำสำนึกเกินว่าไม่เหมาะไม่ควรก็งดเว้นไม่ทำอย่างเงี้ยเราเรียกว่าสัมปัตตวิรัติภายในจิตของมนุษย์เนี่ยยังไงมันก็มีฮิริโอตปาอยู่มีสติสัมปยัญญะมีอะไรอยู่นะแล้วก็ยับยั้งชั่งใจได้หยุดตัวเองได้ แต่ถึงจุดหนึ่งก็จะไม่ทำอีกประการหนึ่งก็คืออาศัยรูปแบบสมาธานเนี่ยที่ว่าเดยไปรับจากใครก็ได้นะที่จริงไม่จำเป็นเดี๋ยวต้องรับจากพระถ้าดูในเอกสารหลักฐานทางพระพุทธศาสนาบางทีก็รับจากกุบสุกอย่างที่เคยเล่าเรื่องเทวดาในสาุทูตเนี่ยก็รับศินจากกุบสุกไม่ได้รับศินจากพระ ก็อยู่ในเรือนะเรือก็กำลังจะแตกแต่ใย่างหนึ่งก็คือมองเห็นโทษชัดเจนแล้วก็งดเว้นเด็กขาดไม่กระทาคือยังนึกว่าสังคมเราเนี่ยนะถ้า ง, งดเว้นสีลดทั้งสามพ่อเนี่ยมันจะมีอะไรดีขึ้นดเนี่ยคือเรื่องมันเรื่องมันมีความจำเป็นอะไรที่จะต้องไปทําคือหนึ่งก็คือเรื่องสัมสอนทางเพศ มดเว้นเรื่องสับซ้อนทางเพศไม่รู้พูกเขาเมียใครเนี่ยแล้วก็แนวที่สองก็คือเสพสิ่งเสติสสสดข้อที่ห้านแนวที่สามก็คือเรื่องของการช่อฉนแด้แหมมันเรื่องใหญ่เลยเนะสียงข้ออธินาธานเนี่ยประกาศเป็นเรื่องใหญ่เลยคือมัน มันฟังคนรุ่นใหม่เขาคิดแล้วนี่เป็นเรื่องน่ากลัวเขาบอกว่าถ้าไม่โกงไม่มีโอกาสรวยฟังแล้วก็สยองฮะเมก่อนมีข้าราชการเนี่ยเขามาเล่าให้ฟังเราจะไปทำสวนเขามีที่ดินอยู่สี่สิบกไร่แต่ด้านหลังนี่มันเป็นป่าสงวนมียี่สิบไร่ เา ะ, ะก็ต้องหาอุบายวิธีอะไรนะก็เรียกมีน้ํายาทาที่ต้นไม้แล้วมันก็ค่อยๆตายไปแล้วก็บุกรุกถางไปเรื่อยๆบอกโอ้คิดอย่างนี้แหละข้าราชการไม่คิดอนุรักษ์ธรรมชาติไม่คิดอนุรักษ์ป่าบ้างเหรอแก บ, บอกว่าผมมีความเด็นบา้าดถ้าไม่โกงไม่รวยอะแล้วก็สะดุดไปเหมือนกันนะการคิดอย่างนี้น่ากลัว เพราะถ้าหว่าคิดกันอย่างนี้ในที่สุดโลกมันก็ล้มละลายก็อยู่ไม่ได้นะะมนุษย์จะทําลายสภาพไปลอมหมดแล้วมันก็ชวนกันตายตบเทา้าพาเดตตายกันหมดจิตธรรเนื้ของมนุษย์จึงมีเรื่องสําคาัญและศีลเนี่ยเป็นตัวสําคัญที่สุดเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันดังปกติสุดต้องฟังเท่าไหร่ใต้ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ขอยยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไยบูรณนธรรมต่อท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี